ขอความเจริญในธรรมจะมีแล่ท่านผู้ฝังทั้งหลายรายการใต้ร่มพระพุทธญาณได้นำเสนอประวัติของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธทธสัตว์ในความพอใจที่จะเป็นพระพุทธเจา้าอยู่ภายในประเทศไทยโดยสายรังแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากการ โดยสารไปนในทางเรือเรือเกิดอับปางคนเป็นนันมาต้องจมน้ำตาอยู่ภายในเทะเลในขณะที่ท่านเองก็ช่วยใครไม่ได้เพราะว่าต้องแบบแม่ไหวนำแม่ขึ้นบนเรือรสู้ฝั่งแล้วก็มองเห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์ แล้วก็เกิดความคิดว่าเราไปจะจะพยายามทำตนให้สัจสรู้แล้วจะช่วยุคนอื่นให้สัจสรู้ตามเราจะทำตนให้หลุดพ้นและจะช่วยบุคคลอื่นให้หลุดพ้นตามเราจะข้ามให้ได้แล้วจะช่วยบุคคลอื่นให้ข้ามตามตอนนี้เป็นการงองสิ่งสัมผัส คือภาพของคนที่กาลังตกอยู่ในทะเลว่าเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากสังสารทุกข์คือความเกิดเพราะอันท้าสาปใต่ที่เขายังเกิดจู่ความทุกข์ในลักษณะต่งตางๆก็คงจะต้องเกิดขึด้นการจะช่วยแก้ปัญหาแบบทาวรคือต้องแก้ปัญหาโดยไม่ต้องเกิดมาแต่าจากความคิดอย่างนั้น การบัตรตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ในชาติต่อมาท่านก็นได้ตายไปบังเกิดเป็นเทพประบุติและจุติตเจ้าเทพประบุติก็ามาบังเกิดในราชสกุลต่อมาได้เป็นพระราชาเต็นแรงของตันหาราคะที่เกิดขึ้นแก่ช้างทรงซึ่งกำลังเมาด้วยการราคกา ในขณะที่พระองค์ประทับช้างเพระเรียบประนกขอเอาก็จริงโปรแกรเมามด้วยแรงราคานี่ อ, อกคุมไม่อยู่แม้จะสับด้วยขอแก้วก็แล้วความช้างจะใช้ทุกวิธีก็แล้วแต่ควบคุมไม่ได้ก็ทำให้พระองค์เองก็เสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรา ย, ยบนหลังช้างด้วย ก็แสดงเห็นว่าเพลิงราคาี่เกิดขึ้นเพราะล่นจิตใจของบุคคลนั้นไม่ได้สร้างปัญหาแก่คนที่ถูกเพลิงราคาเพราะล่นเพียงคนเดียวแต่จะนำไปสู่ปัญหาอีกอนเนกนั้นแล้วปัญหาเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่ในพบชาติเดียวแต่มันยังมนมเหนี่ยวบุคคลเข้าไปสู่ภัยในดรกใดด้วยถึงมองเห็นโทษของกา ร, า, ราคาว่าเหมือนกับไฟ เหมือนกับอสรพิษคือยิ่งกว่าไฟยิ่งกว่าอสรพิษตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะไฟจากไฟก็ดีไฟจากอสรพิษก็ดีนั้นทำมากทาดังมากได้ก็แค่ตายแต่พอตายไปแล้วภัยลงนั้นก็จบแต่ส่วนภัยที่เกิดจากราคะความกำหนัดความต้องการในทางเพศความโลภซึ่งแสดงออกมาในลักษณะต่าง จะดังไปสู่เวรสู่ภัยสู่อันตรายต้องประสบความทุกข์ซ้ำซากอยู่ในสังสารวัติบางครั้งเพราะเหตุเพียงการพอใจชอบใจในสัตว์ในบุคคลในสิ่งของอย่างเดียวกันก็สามารถที่จะนำไปสู่ปัญหารุนแรงต่างๆขึ้นในโลกได้โดยตัวยอย่างมายุติสงครามทั้งสองครั้ง ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของอินเดียก็มีผลสืบเนื่องมาจากราคะสืบเนื่องมาจากโลภะซึ่งเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาตนด้วยกันจะต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นด้วยความความหนัดเพื่อเพลินดีในสิ่งเหล่านั้นแล้วต้องได้ถ้าไม่ได้อาจจะต้องฆ่าจะต้องทำลายอันตรายใครก็ได้ ศึกสงครามในเรื่องรามเกียรติก็ดีศึกสงครามในเรื่องมาภารัตะยุตก็ดีหรือแม้แต่สงครามโลกครั้งที่สองก็ามาเกิดจากแรงลิศยาของฮิตเลอร์ที่มีต่อชนชาติอยู่ริศยาานั้นเป็นอาการของโลภะของราคะของโทสะของโมหะซึ่งถ้าเราจำแนกแยกแยะออกไปแล้วจะเห็นว่า ริษยานั้นแปลว่าเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้จะถามว่าทําไมก็ตอบว่าเพราะเขาต้องการจะได้เสเองเมื่อเขาต้องการได้แล้วไม่ได้ก็โกรธคนที่ได้แล้วก็โลภในสิ่งของที่เขาได้ถึงพยายามยื้อแย่งต่อสู้ปรากประหารกัน เพียงเพื่อได้ถือครองครอบครองสิ่งที่ตัวเองใคร่เท่านั้นความผิดพลาดของคนก็คือไปครอบครองสิ่งที่คนอื่นก็อยากได้อย่างที่สุภาษิตก็จีนที่ชอบพูดว่าคนไม่ผิดดอกผิดที่มียกติดตัวถึงหมายความว่าในขณะใ ด, ดก็ตามที่คนเหล่านั้น ทิ้งห ย, องอยทงกที่เขาครอบครองอยู่ทิ้งกระบี่ที่เขาครอบครองอยู่ทิ้งคำพีศักดิ์สิทธิ์ที่เขาครอบครองอยู่ทิ้งสมบัติที่เขาครอบครองอยู่จะไม่มีใครมาไล่ล่าขขาแต่ตราใดที่เขาถือครองไว้จะถูกไล่ล่าอยู่รับไปตราเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เราพบเห็นว่าใครถือครองครอบครองอะไรไว้จะเป็นเป้าหมายการไล่ล่าของบุคคล แต่ว่าสิ่งนั้นเป็นที่รักใคร่ชอบใจของคนเป็นนั้นมากและจะมีการบาดเจ็บล้มตายลงเป็นอนเอกอนกนันตีเดียวดังนั้นท่านยึงสอนไม่มองเห็นโทษของการมารรคครับการกระทาของฮิตเลอร์ก็คือต้องการจะได้อย่างที่คนอยู่ได้ต้องการจะมีอย่างที่คนอยู่มีต้องการจะเป็นอย่างที่คนอยู่เป็น แต่ว่าคนยิวเขามีความมั่นขยนันมีความเฉลียวฉลาดมีความหมดกานอดทนสูงกว่าเขาก็ได้อย่างที่เขาต้องการได้เขาก็มีอย่างที่เขาต้องการมีก็ก็เป็นอย่างที่เขาต้องการเป็นฮิเลอร์แทนที่จะลองเรียนวิธีการในการพัฒนาตัวเองจนได้จนมีจนเป็นก็ไม่เอาแล้วก็ใช้วิธีทํำลายล้างก็ฆ่าเผ่าพันธุ์ของชนชาติยิวไปทั้งหกล้านคน ่ผลทุยไทยเป็นอะไรยิ้เลิกก็สุตราหน้าอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ชนชาติยิว้วไปรับการเห็นใจสงสารจากคนทั้งหลายและยับการอุ้มคุ้มครองปกป้องจากบุคคลทั้งหลายเพราะเาพันมนุษย์มันกระจายอยู่ทั่วโลกปัจจนี้มีใครไปทำลายเผ่าพันธุมนุษย์ได้นอกจากเผาพันธมนุษย์เหล่านั้นเองจะทำลายกันเองแต่มันก็จะทอนให้เห็นว่า ความริษยานั้นทำโลกให้เป็นหน้าจริงๆอย่าลืมมริษยานั้นจะหนักไปในทางโลภะตัวศาสต์นั้นมันเกิดเพราะสืบเนื่องจาโลภะเทนั้นเองแต่ความคิดทั้งสองอย่างมันก็เป็นอาการของโมหะพอถ้าเรามีเหตุมีผลแล้วเราก็เห็นความบางังคั่งร่ำรวยการได้ลาภยอเสริญของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการกระตุน้นเร่งร้าให้เราก้าวหน้าไปสู่ จุดหมายปลายทางเช่นเดียวกับที่เขาได้สัมผัสมันก็ไม่ใช่เรื่องมีปัญหาอะไรแต่เพอาใจมันมากโดยโมหะเราก็ทำไม่ได้ปัญหาต่างๆก็กติดตามมาจากความคิดในขณะนั้น <c oughs> ก็ทำให้พระโพธิสัตว์ได้เกิดมองเห็นโทษของกราคาคือความกำหนัดความต้องการในทางเพศ จนในที่สุดเห็นว่าท่านเองจะต้องขจัดราคาออกไปจากใจแต่แหมการขาจัดราคาไม่ใช่เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเลยก็เป็นสัตยาทิฏฐานแต่ว่าเปล่งออกมาจากปากก็ทำให้เราเห็นว่าความพอใจในสัพพนิยตยานของพระโพธิสัตว์ ออกมาในระดับของการเปล่งวาจาพระบราณอาจารย์ท่านเล่าโดยสรุปเพราะว่าจริงที่ท่านบอกไว้ว่านึกคิดอยู่ภายในใจนั่งผ่านสังสารวัฏมาถึงเจ็ดแสนเจ็ดแสนอสงไขยกับในจะอยู่ตรงนี้ระดับของการเปล่งวาจาในภพในชาติต่างๆถึงเก้าแสนกับ ตอนนี้ที่จริงแล้วก็ยังเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไม่แน่ว่าจะได้ ส, สรุปแต่ถ้าเรามองดูที่มโนปณิธานของพรงเ์ที่หนักแน่นมั่นคงเหเกิเอาจริงอาจังเหลือเกินแล้วก็ฝันไกลแล้วเกินคือในเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าความมุ่งมั่นไม่สูงพอเมตตากรุณาภายในใจเราไม่สูงพอ เราก็อาจจะหยุดชะงักอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก็ได้อย่างเคยเล่าว่าสมัยยุคสมัยราชการที่สามในประเทศไทยก็มีการปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้ากันมากจนถึงว่าจะเป็นง่ายแล้วก็ทำอะไรก็ผาดโูนออกไปแม้แต่ราชการที่สามเองนะก็พยายามลอกเรียนปฏิปทาของพระเวสสันดรบริมพโพธิสัตว์เพื่อตนเองจะได้สึกรู้เป็นพระพุทธเจา้า แต่เมื่อรงศึกษาเรียนรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้หมายไกลขนาดนั้นขอเพียงหลุดพ้นจากสังสาระทุกข์โดยการเป็นพระหันก็เพียงพอแล้วเพราะในแง่ของความเป็ลุดพ้นจากสังสาระทุกข์นั้นมันลุดพ้นด้วยกันเปลี่ยนแต่ว่าการเป็นพระพุทธเจ้ามันมีโอกาสช่วยโลกเยอะ ท, ทั้งขณะที่ทรงประชวรอยู่และขณะที่เสด็จดับขันธปนิฏฐานไปแล้ว ดังนั้นพระปณิธานที่ทัดเปล่งออกมาในคราวนั้นจึงเป็นการมองไปที่ตัวสังสารทุกข์หรือการเวทว้แต่เกิดในสังสารวัฏวันก่อนไม่มีอุบาสิกาท่านหนึ่งทัางฟังข่าวสังโทรทัตนิเป็นการสัมภาษณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยในบ้านเรา ขอร้องเชิญชวนชักชวนคนไทยเลิกเชื่อกดแห่งกรรมขอสักทีเถอะขอให้เลิกเชื่อกดแห่งกรรมกสีเถอะแล้วบ้านเมืองเราจะเจริญฟังแล้วก็ตกใจนะฮะตอนนี้กำลังหาเทปอยู่ว่าข้อความเต็มๆในว่าน ย, ยังไงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นวัลเล่ห์วัลต่อของความเป็นสมาธิจิกับความเป็นมิจฉาทิฏฐิ จะนำคนเข้าลกเข้าภูมิไปคนเราถ้าไม่เชื่อกฎของกรรมกับไม่เชื่อกฎของสังสารวัตรคนจะไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้มาแต่มุ่งไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยเหยียมหน้าทางเศรษฐกิจมอได้เศรษฐกิจก็ได้สังคมได้สังคมก็ได้การเมืองได้การเมืองก็ได้การทหารบางคนเหล่านี้พร้อมที่จะลุย สรุนโบราณเ็าเรียกบัลลังเลือดขึ้นมาเพื่อสถาปนาตัวเองเขาสู่ความยิ่งใหญ่เพราะเขาปฏิเสธเรื่องบุญบาปปฏิเสธเรื่องสังสารวัฏมันจะขาดหลักใจเป็นการเหนี่ยวยังจิตใจของตนเองเอาไว้เป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นคนในบ้านในเมืองอดีตนายกรัฐมนตรี แม้จะเป็นเชื้อสายมอนแต่มอนนั้นเป็นชนชาติที่เคร่งครัดเรื่องาศาสนามากแล้วก็ถ้าเทียบจริงๆในนักแม่นเรื่องาศาสนามากกว่าคนไทยด้วยซ้ำไปเราจะให้ความสำคัญแก่พระวินัยแต่ก็อ้างความเป็นอินเตอร์ที่พูกฝรั่งได้เคยเป็นทูตต่างประเทศเคยเป็นปรับกระทรวงต่างประเทศแบบพูดมันๆเนี่ ปัญหาว่าคนจะเชื่ออดีตนา ย, ยกรัฐมนตรีโดยอุบัติเหตุหรือว่าเชื่อพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องของคนดอกนั้นก็ต้องถือว่าเป็นใบาตามกรรมของเขาปัญหาในบ้านในเมืองในส่วนต่างๆของโลกเนี่ยเราเห็นว่าแม้แต่ว่าประเทศที่นับถือาศาสนาประเภทเทวนิยมตรงนั้นท่านไม่อาจจะเรียกว่ากรรมก็ได้ท่านไม่เรียกว่ากรรม ประว่ากรรมนั้นเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตแต่ท่านอาจจะเรียกอย่างอื่นือ ท, ทำดีทำไม่ดีจะไปที่โปรดปรานหรือตำหนิของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เก็บไว้ในบัญชีวันที่พระเจ้าพิพากษาโลกก็จะตัดสินไปตามการกระทำของบุคคลเหล่านั้นแต่แน่นอนถ้าเรียกภาษาไทยก็คือเรื่องขับเรียกภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตก็เรียกว่ากรรม แต่ใน อ, อย่างอื่นก็เป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งแต่เนื้อหาสาระก็เป็นเช่นเดียวกันกิจการคิดชั่วเป็นเหตุได้พูดชั่วทําชั่วจากการคิดชั่วเป็นเหตุได้จากการคิดดีเป็นเหตุได้พูดดีทดําดีและตรงที่คิดตัวที่เจตนาคิดเนี่ยนหะมันก็เป็นกรรมแล้วคือแสดงว่าท่านบุญไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็เห็นว่าสังคมยกย่อง แล้วก็พูดขอให้เลิกก็หมายความขอให้เลิกนับถือศาสนาพูดง่ายอย่างนั้นแหละคือขอประชาชนเลิกมีศาสนาอยู่ภายในหัวใจแต่มาเองเคยพบกับท่านผูน้นี้มีงานศพแป่งหนึ่งในงานศพของท่านผู้หญิงสมศรีเจริญรัตจตภาฒพระเดินเข้าไปเนี่ยมีคนเดียนะฮะที่ไม่ยกมือไหว พระเองไม่ได้ติดใจเรื่องไหว้ไม่ไหว้แต่มันเ็าบัดอะไรพอสมควรว่าความรู้สึกไม่คิดต่อศาสนาต่อศาสนาบุคคลในศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทนั้นมีความคิดยังไงแต่คนเรานี่ส่วนมากก็จะได้สถานะจากสังคมคนนี้มีคิดอะไรเพียเพ้ยนๆนะแผลงๆต่อต้านคัดค้าน ความเชื่อซึ่งเป็นกระแสะหลักทึ่หล่อเลี้ยงโลกหล่อเลี้ยงสังคมมาเป็นเวลานานส่วดมากก็จะได้สถานะเจ้าสังคมก็เป็นวิบากกรรมประการหนึ่งความคิดตรงนี้ลองสังเกตว่ามันเป็นการเพิ่มเติมขึ้นมาอีกข้อห น, นึ่งจากในตอนที่สงคิดอยู่ภายในใจเฉยๆ้ อ, อความขั้นต้นสามประโยคเหมือนกันว่า เราจะสู้แล้วจะให้้นผู้อื่นสะสรุด้วยเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยเราข้ามโลกได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยเขา ม, มาข้ามโลกในที่นี้ก็คือหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลกที่เราเรียกว่าโล ก, กุตระคือพ้นไปจากกระแสของโลกหมายความว่าไปสัมผัสสิ่งที่โลกไม่มี อะไรก็ตามที่มีอยู่ในโลกภูมก็ไม่มีสิ่งเด็ดเดือดนการพูดก็คงพูดแบบอุปมาทเทียบเคียงก็ได้แต่ว่าไม่สามารถจะสื่อสารด้วยภาษาแบบโลกโลกได้เพราะนั่นคือโล ก, กุตรภาวะตัวเหตุใหญ่ที่จำเป็นจะต้องมีก็คือการจัดสรุปแต่ว่าจริงการจัดสรุปมันเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างบา ร, รมี แล้วก็มีบำเพ็ญเพียรตามลำหนัาขั้นตอนต่างๆอย่างที่เราทราบในประวัติเทวจัดรสรู้แล้วก็พ้นจากกิเลสเพราะการจัดสรู้นั่นเองเป็นความสว่างซึ่งเกิดขึ้นภายในพระทัยของโพร อ, อย่างที่เราสั่งเล่าการจัดสรู้ของโพรอ ว, วิชาเกิดขึ้นนวิชาดับไปเหมือระแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไป เราก็ไปกดธรรมดาสามัญคนในที่ใดก็ตามที่แสงสว่างเกิดขึ้นในที่นั้นก็ความมืดก็ไม่มีผล ม, มันเกิดขึ้นภาในใจของคุณเราอาจจะเรียกวิชาอาจจะเรียกว่าักคุอาจจะเรียกวิาญาเรียกว่าปัญญาเรียกว่าแสงสว่างอะไรก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็จะทาําหน้าที่กระจัดสิ่งที่ตรงข้ามกับตนคือความมืดและสิ่งที่สืบเนื่งมาจากความมืด พรา อ, อาการของราคะอาการของตัณหาอาการของโลภะอาการของโทสะมันก็สืบเนื่องมาจากภายในจิตใจดันมืดบอดด้วยแรงของโมหะด้วยแรงของวิ ช, ชาก็เป็นเหตุทุกคนพฤติรรกระทําไปด้วยวิธีการต่างๆตัวเองก็ถูกปลักส่เสืกใสจนหลับไหลเลื่อนไห ล, ลหลงไหลไปตามกระแสะของกิเลส ันเมื่อการศัสรุเนี่ยก็ทำให้พ้นจากเกลเอะพพ้นจากเกลเลก็ข้ามโลกได้อยู่ในโลกโดยไม่เปื้อนโลกมันเหมือนกับความฝันที่เป็นสุบินมิตรซึ่งเกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ก่อนจะศัสรุว่าพรงเดินไปท่ามกลางกองอุจจระของคูดทั้งเรื่ององคูดหรือกองอุจระจงวนมหาศาลบ้าง แต่จารนั้นไม่เห็นและไม่เปื้อนไม่เปื้อนพระบาทของพระองค์ก็หมายความว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นจะสมบูรณ์ด้วยลาบสกการะและชื่อเสียงเป็นนั้นมากแต่สิ่งเหล่านั้นก็ผูกมัดอะไรพระองค์ไว้ไได้พระองค์ไม่คล่องไม่ติดในโลกวัตถุเหล่านั้นเพราะอรเพราะว่าพระทยจริงๆัหลุดพ้นไปจากอํานาจของกิเลส แดีวปัญหาที่จะต้องศึกษาจะต้องทําความเข้าใจเด็กคนจะต้องนายในสังสารวัตรเพราะสังสารวัตนั้นเป็นที่กําหนัดเพลิดเพลินเวลาการพูดเรื่องสวรรค์พูดเรื่องมืมานพูดเรื่องสุขในสวรรค์สุขในพรหมโลกเป็นไปนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคนมันชอบมันเป็นพบมันเป็นชาติมนรู้สุกว่าตัวเองเป็นตัวเองได้ตัวเองมี แล้วก็รู้สึกอัตรามันก็โตขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นอาการของกิเลสมันขึ้นดูกับมุมอ ม, อ ม, อมองของคนเราจะเห็นว่ายังไงยังไงในสังคมไทยเนี่ยพูดไปพูดมาแล้วนิพผ่า น, นมักจะมีตัวตนนะเป็นเมืองเมืองแก้วกล่าวแล้วคืออมตะมาา้านครดารุภานนะั้นซื่อโบราณกำผีโบราณเลยจะเขียนในีัยนาะานอยอย่างนั้นท่านก็ว่าของท่านไปมันต้องการท่านจะสื่อสาร เป็นลักษณะของเครื่องมือเขาเรียกอาศัยตัญหาเพื่อเป็นเครื่องมือในการละปัญหาเพราะความอยากในนิพพานเนี่ยเมื่อเราถึงนิพพานเราก็ต้องทิ้งตัวความอยากความอยากบางทีมันก็ยานผานนะหรือว่าสมัยโบราณนะท่านอุ ป, ปมาเหมือนกับแพร่ที่บุคคลจะต้องอาศัยค้างฟังแต่ว่าขึ้นฝังแล้วก็ต้องทิ้งแพ่เพราะถ้าไม่ทิ้งแพรก็ขึ้นฝังไม่ได้ การมุ่งมุในสังสารวัฏนั้นที่จริงต้องอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหลายเนี่ยเพียงแต่ว่าผู้นี้ต้องลดน้อยถอ่อลงไปหมายความมาตัณหลดลงอุปาทานลดลงชาติก็ประนีขึ้นพบก็ประนีขึ้นเราพบประนีแสดงว่าชาติคือคนที่เกิดตรงนั้นก็ประนีขึ้น แน่นอนอยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าแก่น้อยลงเจ็บน้อยลงตายช้าลงอายุก็ยืนขึ้นถ้าคนไม่ใช่ได้ลึกซึ้งมันก็ติดถ้ติดก็ติดอยู่ในสังสารโุกเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าหมาสมุดคือวัตถุสงสารนั้นมีภัยมากเลยทีเดียวภายในสงสังสารทุกนั้นเรียกว่าเป็นอนเออ น, น, นกอนันต์ก็แล้วกัน ถ้าเราจะถามว่ามีภัยคืออะไรบ้างเนี่ยมันมันมันเยอะแล้ะภัยใหญ่ใ่จริงๆนะฮะเป็นที่มาของภัยทั้งหลายก็คือชาติภัยภัยคือความเกิดตราบใดที่มีการเกิดติสาบนั้นปัญหาต่างๆจะตามมาเป็นแถวอนเนกอันนั้นนับกันไม่ไหวดได้ไวเพราะเวลาเราสวดมนต์แสดงถึงสัจ ธ, ธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือประเด็นของทุกข์กษัตริย์ เราก็พูดว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์สลาความแก่เป็นทุกข์วรณะความตายเป็นทุกข์ไอ้ทุกข์ใหญ่หนึ่งก็สามทุกข์เท่านั้นหมายความถ้าไม่เกิดเราก็ไม่แก่ถ้าไม่เกิดเราก็ไม่ตายแต่พอเราเกิดเราต้องแก่แล้วเราต้องตายไอ้เจ็บเจ็บก็สืบเนื่อง ม, มาจากเกิดแล้วก็บางอย่างก็พอแก่ลงในสุขภาพภรรนะไม่ก่อนแอนลงก็เพิ่มความเจ็บมากจริงขึ้น บางทีก็ฟอนะฮะทอถอยอย่างวันก่อนที่มอบให้พระแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วนำของไปให้แก่คนแก่ที่หมู่บ้านบางแค่คนเหล่านั้นกลับมาบอกว่าพอเห็นแล้วก็ปลุมปกกเห็นสภาพของคนเฒ่าคนแก่ที่ ทอด ท, ทิ้งแบบปนาถาคือมีเจ้าที่มากยังไงก็ตามนะดูแลไม่ทันเราพวกคนมากเกินเจ้าหน้าที่เหล่านั้นส่วนหนึ่งก็เป็นจิตปิญญาณของเขาส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยค่าจ้างเดือนจากรัฐ ก, การจะบำบัดความทุกขก์เกลีคนจำนวนมากด้วยคนจำนวนน้อยเนี่ยทำยังไงก็ทำไม่ได้เต็มที่แต่มันได้สะท้อนภาพชีวิตว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ที่อาจเรียกว่าเอวังธรรมโมเอวังภาวเววังลนาติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไปรวมพนความเป็นอย่างนี้ไปได้เด็กต้องฟังกันเลยแต่รุ่งโรจนปัญญาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญก้าวน้าไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี